ดูไม่ค่อยจะเป็นนักศึกษาเท่าไหร่หรือใช้ทฤษฎีว่าการศึกษาทำตลอดชีวิตดูอาวุโสเด็กน้อยอยังเข้ามากันอยู่ได้่อยๆก่อนที่หลวงพ่อจะมาพูดที่นี่นะหลวงพ่อถามอาจารย์ที่จัดว่าประชาชนที่ใช้กฎหมายแปลว่าอะไรเพราะใครๆก็ต้องใช้กฎหมายเท่านั้นแหละ หลกความก็คือทุกคนแหละต้องใช้กฎหมายนี่ในมุมมองของหลวงพ่อเนี่ยบ้านเมืองไม่มีกฎหมายอยู่ไม่ได้ไหวุ่นวายหรือมีกฎหมายแล้วคนไม่ทําตามเพราะวุ่นวายมากกฎหมายนั้นมันบังคับจากภายนอกหลวงพ่อมองว่ากฎหมายเป็นเครื่องมือควบคุมคนควบคุมพฤติกรรมนควบคุมมาจากภายนอก แต่จากภายในเนี่ยกฎหมายเข้าไปควบคุมใครไม่ได้หรอกแ้เราก็จะเห็นบ้านเมืองแต่ละประเทศแต่ละประเทศมีกฎหมายกันทุกประเทศแหละแต่บางบ้านเมืองเขาก็สงบนะบางบ้านเมืองก็วุ่นวายบางแห่งเคยสงบก็กลับมาวุ่นวายได้ปัญหาใหญ่มันอยู่ที่ว่าคนแต่ละคนนะนะั้นไม่สามารถควบคุมพฤติกรรมของตนเองได้ ธรรมะนั่นแหละจะทําให้เราสามารถควบคุมพฤติกรรมของตนเองอันนี้จะเป็นการควบคุมคนออกมาจากภายในจากด้านในออกไปข้างนอกกฎหมายนั้นคุมคนจากข้างนอกเข้ามาต้องมีทั้งสองทางแหละมีแต่ธรรมะไม่มีกฎหมายก็อยู่กันไม่ได้จริงหรอกเพราะว่าคนส่วนใหญ่ไม่ได้มีธรรมะจริงแล้วคนมีแต่กฎหมายไม่มีธรรมะนะกฎหมายก็บังคับใช้ไม่ได้เท่าไหร่ คนนั่นแหละเป็นคนบังคับใช้กฎหมายเงั้นทั้งกฎหมายทั้งธรร ม, มนะนั่นต้องหนุนช่วยกันคือจากภายนอกก็ต้องควบคุมพฤติกรรมนะกําหนดบทบาทกําหนดหน้าที่กําหนดสิทธิของแต่ละคนแต่ละคนภายในแต่ละคนก็ต้องควบคุมตัวเองได้สิ่งที่ทําให้คนเราปฏิเสธกฎเกณฑ์ลึกลงไปนะหนี้ไม่พ้นความเห็นแก่ตัว คนเราเห็นแก่ตัวซะอย่างเดียวนะใครก็บังคับไม่ได้ออกกฎหมายให้เก่งพิเศษยังไงหาทางเลี่ยงจนได้เพราะกฎหมายท้กคนก็คนร่างขึ้นมานี่สําหรับคนทั่วๆั่วไปนะเราก็ต้องมาพวกเราไปเรียกร้องให้คนทุกคนนะั้นมีธรรมะเรียกร้องไม่ได้เอี่ยกฎหมายกําหนดเลยจะมาอ้างว่าไม่รู้กฎหมายไม่ได้นะกฎหมายบังคับบังคับเอาเลยแต่ธรรมะนั้นไม่มีใครมาบังคับเรา งั้นอย่างศาสนาพุทธเนี่ยดูไปดูไปบางคนก็วิจารณ์ว่าเป็นศาสนาที่ไม่เข้มแข็งเท่าไหร่ไม่ได้ควบคุมคนอย่างจริงจังไม่บังคับเป็นศาสนาแห่งการสมัครใจบางศาสนาเขาควบคุมเข้มงวดนะเขาควบคุมเข้มงวดเป็นการจัดระเบียบสังคมเลยศาสนากับกฎหมายแทบจะเป็นอันเดียวกันนี่ของเราเรียนเรื่องศาสนาพุทธ ศาสนาพุทธมันเป็นศาสนาของความยินยอมพร้อมใจให้เกียรติให้ศักดิ์ศรีต่อความเป็นมนุษย์สูงที่สุดเลยเรถือว่ามนุษย์แต่ละคนนะมีโอกาสที่จะพัฒนาตัวเองได้มนุษย์นั่นแหละเลือกอนาคตของตัวเองแล้วมีอิสระด้วยนะที่จะเลือกจะเลือกไปสู่ทางที่ดีก็ได้เลือกให้เร็วลงก็ได้นี่ให้อิสระมากนะ เพียงแต่บอกความจริงให้เท่านั้นเองว่าถ้าเราทำอย่างนี้จะมีผลอย่างนี้ถ้าทาอย่างนี้จะมีผลอย่างนี้นี่เราในฐานะพวกเราชาวพุทธนะเราควรจะมาศึกษาธรรมะถ้าใจของเราไม่เห็นแก่ตัวเนี่ยมันก็ช่วยให้การบังคับใช้กฎหมายดีขึ้นโดยเฉพาะคนใช้กฎหมายในระดับอย่างผู้พักษาอย่างทานายอย่างไรพวกนี้ ถ้าก็มีธรรมะในใจความยุติธรรมมันถึงจะเกิดขึ้นได้พวกเราเองแต่ละคนแต่ละคนถ้าเรามีธรรมะอยู่ในใจเราก็ไม่คิดทำผิดกฎหมายอะไรสังคมมันก็เรียบร้อยโดยที่ไม่ต้องมีกฎเกณฑ์กฎเกณฑ์นั้นถูกกำหนดขึ้นมาเพราะคนไม่เรียบร้อยสมัยวิพุทธกาลต้นพุทธกาลเกิดศาสนาพุทธใหม่ๆพระพุทธเจ้าสอนธรรมะแต่ไม่มีพระวินัย ไม่บัญญตัติะวินัยสาวกรุ่นแรกมีแต่พระราหันต์พระริยะไม่มีพระก่อนเรื่องก่อนเราต่อมามีพระก่อนเรื่องก่อราวามากขึ้นท่าก็ต้องกําหนดวินัยกําหนดกฎหมายนั่นเองขึ้นมาใช้เราจะไปหวังว่าคนทุกคนจะดีมัมนหวังไม่ได้ซะและ้วเพราะคนจํานวนมากมันไม่ดีงั้นถ้ามีธรรมะในใจนะกฎหมายก็ลดลงได้ถ้าไม่มีธรรมะต้องเพิ่มกฎหมายขึ้น สมัยพุท ธ, ธากาลนะมีพระกลุ่มหนึ่งนะชื่อพระฉับพักขีเป็นกลุ่มหคนเก่งมากเลยในทางหาเรื่องเป็นต้นปัญญตัตพวินัยเยอะแยะไปหมดเลยแต่แกดีอย่างหนึ่งแ <ๆ S 1> กทำอะไรที่ไม่ดีไม่งามแล้วพระพุทธเจ้าห้ามนะแกไม่ทำอีกแ <ๆ S 1> กพิคิดอันใหม่ <ๆ S 1> ที่มันไม่ดีใหม่ไอคนแบบนี้มีมาแต่สมัยพุท ธ, ธากาลนะกฎหมายมันตามไม่ทันนะตามไม่ค่อยจะทัน แต่ถ้าเราพัฒนาใจของเราได้นะให้มันใจมันมีธรรมะเลกฎหมายก็เอาไว้ควบคุมคนไม่มีธรรมะไปคนมีธรรม ะ, ะเขาทาตามกฎหมายเต็มอกเต็มใจอยู่แล้วหรือคนที่จะใช้กฎหมายที่กลุ่มอานาจอยู่ในมือถ้ามีธรรมะด้วยก็สามารถสร้างความเป็นธรรมให้เกิดขึ้นได้ถ้าใจอย่างผู้พักษา ใจมีอคติในศาสนาผู้เรียกว่าอคติมีความลำเอียงลำเอียงเพรความรักลำเอียงเพรความเกลียดลำเอียงเพรความหลงลำเอียงเพราความกลัวถ้าใจไม่มีธรรมะนั่นใจมันลำเอียงถ้าเอาธรรมะนั้นไปเป็นเครื่องมือสร้างความไม่ยุติธรรมได้เหมือนกันฉะนั้นเราจะเรียนแต่ศาสนาอย่างเดียวก็ไม่ได้นะเรียนแต่กฎหมายอย่างเดียวก็ไม่ได้หรอก เป็นเครื่องมือที่ช่วยเหลือซึ่งกันและกันอันนึ่งปุ่มมาจากข้างนอกนะอันหนึ่งปุ่มออกไปจากข้างในถ้าประสานกันได้ก็ดีที่สุดแหละนิธรรมะอะไรที่เหมาะกับคนที่จะใช้กฎหมายกฎหมายเรามุ่งความสงบเรียบร้อยมุ่งสันติสุขในสังคมส่วนธรรมะของพระพุทธเจ้านั้นมุ่งสันติสุขเหมือนกันแต่สันติสุขของบุคคลสันติสุขของปัิเจกับบุคคลเป็นตัวหลักเลย คมว่านิพพานนิพพานฟังแล้วใลตัวนิพพานจริงๆสภาวะของนิพพานก็คือคาว่าสันติ น, นั่นเองเป็นสันติแล้วก็มีความสุขในโลกก็อยากหาสันติภาพแต่ไม่มีแต่ในทางธรรมะเนี่ยถ้าเราศึกษาเราลดละความเห็นแก่ตัวเป็นลาดับลาดับไปจิต ใ, ใจเราจะเข้าสู่ความสงบสันติมากขึ้นมากขึ้นถ้าเรา มาฝึกนะมาศึกษาธรรมะไม่ใช่เรื่องพูดเล่นไม่ใช่ปรัชญาธรรมะของพระพุทธเจ้านั้นท่านจะบอกเลยว่ า, าเราจะทำอะไรจะทำเพื่ออะไรจะทำอย่างไรทำแล้วจะมีผลอย่างไรธรรมะของพระพุทธเจ้าชาัดเจนถึงขนาดนี้ไม่ใช่ปรัชญาบางคนคิดชอบไปเรียกนะว่าพุทธปรัชญาไม่ใช่แค่ปรัชญาหรอกเป็นเป็นสัจจะเป็นความจริงที่ พิสูจน์ได้ไม่ใช่ลอยๆเป็นกฎวิทยาศาสตร์ทางจิตทางใจล้วนๆเลยยังสามารถบอกได้เลยว่าเพราะอะไรความทุกข์ในจิตใจเราถึงเกิดขึ้นอธิบายได้ละเอียดยิบเลยเมื่อเรารู้ว่าความทุกข์ทางจิตใจเกิดขึ้นได้ยังไงนะไม่ใช่เรื่องยากเลยที่เราจะพ้นจากความทุกข์ทางจิตใจเรื่องอย่างนี้กฎหมายตอบไม่ได้นะศาสตร์อื่นๆตอบไม่ได้ แต่คําสอนของพอระพุทธเจ้านั้นตอบเราได้จิตใจเราหาความสุขไม่ได้หรือทําไมคนลําเอียงความลําเอียงเกิดเพราะอะไรท่านชี้ขาดไว้เลยความลําเอียงเกิดเพราะรักก็มีอย่างคนสองคนคนหนึ่งมันทะเลาะ ก, กันนะคนนึงเราชอบคนหนึ่งเราเกลียดโอกาสลําเอียงก็สูงแล้วนะเวลาตัดสินก็จะลําเอียงง่ายหน่อยเวลาคนดูเขาโชคมวยเราเชียร์ข้างใดข้างหนึ่งนะ นักมวยฝ่ายของเราชกไม่ถูกเขานะเฉียดเฉียดเราก็ถูกจังลนะอีกฝ่ายหนึ่งเขาโชกของเราหน้าห ง, งายเราบอกหลบเอาตาังหกไม่โดนชกหรอกนี่ลำเอียงเพราะรักนะลำเอียงเพราะเกลียดก็มีะเกลียดก็มีลำเอียงเพ ร, ราะหลงไปไม่รู้ผิดชอบชัว่วดีลำเอียงเพราะกลัวก็มีเนี่ยธรรมะก็จะขจัดความลำเอียงออกจากใจได้ ถ้าใจไม่มีความลําเอียงนะสำหรับคนใช้กฎหมายแบบใช้อํานาจทางกฎหมายมก็ใช้ได้ดีใช้อย่างยุติธรรมได้สังคมคนทั่วๆไปทุกทุกคนซึ่งมีส่วนที่ต้องใช้กฎหมายกันทุกคนแหละพวกเราก็ใช้กฎหมายกันทุกคนถ้าเรามีศีลมีธรรมนะมันมันไม่มีการไม่ต้องบังคับกันเยอะนี่เรามาฝึกนะมาฝึกใจ ทำไงเราจะลดละความเห็นแก่ตัวทำไงเราจะลดละความลำเอียงทั้งหลายได้ความลำเอียงเอาเข้าจริงก็มาจากความเห็นแก่ตัวอีกละเห็นแก่ตัวเองก็เลยเข้าข้างคนโน้นบ้างก็เพราะว่าเรารักเขาเ ล, ลงท้ายมันก็มาที่ตัวเองไม่ยุติธรามขึ้นมาเพราะเกลียดคนนี้ทำไมเกลียดใครเกลียดก็เราเกลียดอีกสุดท้ายก็หนีตัวเองไม่พ้นเรามาศึกษานะมาลดละ ความเห็นแก่ตัวให้ได้ธรรมะจะสอนสิ่งนี้ก็เราถ้าลดละความเห็นแก่ตัวได้เนี่ยเราก็มีศีลมีธรรมในตัวเองเงินไม่เบียดเบียนใครโดยอัตโนมัติล้นี้ทำยังไงเราจะมีธรรมะเข้ามาสู่ใจเราแล้วลดละความเห็นแก่ตัวได้เราต้องมาศึกษาการศึกษาธรรมะนั้นขั้นแรกเลยต้องมีสติซะก่อนถ้าขาดสติตัวเดียว ไม่มีธรรมะอะไรเหลือเลยมีแต่อาธรรมสติเนี่ยพูดพูดง่ายฟังก็ง่ายแต่แปลยากที่ยากกว่าแปลก็คือทําให้เกิดขึ้นคนในโลกมีสติก็สติอย่างโลกโลกไม่ใช่สติที่จะใช้ในการพัฒนาจิตใจตนเองจริงๆอะไรอย่างอ่านหนังสือรู้เรื่องก็บอกว่ามีสติเดินไม่ตกท่อไปก็มีสติขับรถไม่ชนใครบอกมีสติ เพรนสติลกโลกหลอกยังไม่พอนะไม่พอที่จะสู้กับกิเลสภายในใจของเราสติสําคัญมากเลยก็คือสติที่จะมาเรียนรู้ตัวเองถ้าเราไม่รู้จักเรียนรู้ตัวเองนะมันจะเห็นแก่ตัวถ้าเรียนรู้ตัวเองได้มันจะลดละความเห็นแก่ตัวไปตามลําดับลําดับ น, นี้สติเนี่ยต้องมาเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ตัวเองเราใช้สติมาเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ตัวเราเอง งั้นขั้นแรกสุดเนี่ยอย่าลืมตัวเองถ้าเมื่อไรใจลอยเนะมื่อไรเราใจลอยไปมีร่างกายอยู่เราก็ลืมมันไปมีจิตใจเราก็ลืมมันไปอันนี้เรียกว่าขาดสติละนะอย่างเวลาเราอ่านหนังสือรู้เรื่องนะเราบอกมีสตินั้นสติในการอ่านหนังสือแต่ไม่ใช่สติในการเรียนรู้ตัวเองนะสตินั้นจดจ่ออยู่กับหนังสือนะนี่สติที่จะใช้เรียนรู้ตัวเองเนี่ยต้องคอยมารู้ทัน ความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของกายของใจตนเองทุกคนสามารถรู้กายรู้ใจตนเองได้แต่ลาเลยที่จะรู้ไม่ใช่ว่ารู้ยากนะความจริงรู้ง่ายร่างกายเราหายใจออกคอยรู้สึกไว้ร่างกายหายใจเข้าคอยรู้สึกนะร่างกายยืนร่างกายเดินร่างกายนั่งร่างกายนอนคอยรู้สึกเลยการที่เราคอยรู้สึกนี่แหละเราฝึกให้เกิดสติพูดง่ายๆฝึกให้รู้สึกตัวไม่ให้ใจลอยไป คนขาดสติใจลอยนะพอใจลอยไปก็คิดอะไรไปตามใจกิเลสนะตามความเคยชินเก่าๆส่วนใหญ่จะเป็นกิเลสทั้งนั้นเลยความเคยชินเก่าๆนะเรามาเรียนรู้จิตใจตนเองเรียนรู้ร่างกายตนเองบ่อยๆนะรู้สึกตัวไว้อย่าลืมตัวเองงั้นการปฏิบัติทำขั้นแรกเลยนะพยายามรู้สึกตัวบ่อยๆเมื่อไรขาดสติลืมกายเมื่อไรขาดสติลืมจิตใจนะศีล ส, สมาธิปัญญาทั้งหลาย หายไปหมดเลยความดีทั้งหลายหายไปหมดเลยเมื่อไหรมีสตินะก็มีโอกาสจะเกิดศีลมีสติมีโอกาสเกิดสมาธิมีสติมีโอกาสเกิดปัญญาถ้ามีทั้งศีลสมาธิปัญญาบริบูรณ์นะจิตใจจะเข้าสู่ความสงบสันติจะสูขสู่ความสงบสันติมีความสุขมีความอิ่มเอิบอยู่ภายในกลางวันก็มีความสุขกลางคืนก็มีความสุขไม่ใช่กลางวันก็เครียดกลางคืนก็เครียดเหมือนที่พวกเราเป็นอยู่ทุกวันนี้ ล้วคอยรู้สึกตัวก่อนนะหัดรู้สึกตัวให้ได้ร่างกายหายใจออกคอยรู้สึกร่างกายหายใจเข้าคอยรู้สึกอย่าไปรู้สึกแบบจ้องรู้สึกให้สบายดูสบายๆปฏิบัติธรรมเนี่ยจะเรียนรู้ตัวเองต้องเรียนรู้อย่างสบายๆเรียนรู้อย่างเครียดเครียดใช้ไม่ได้นะต้องเรียนรู้ให้สบายใจแค่รู้สึกตัวขึ้นมาเห็นร่างกายหายใจออกเห็นร่างกายหายใจเข้า เราเป็นแค่คนดนะูหรือจิตใจเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็โลภเดี๋ยวก็โกรธเดี๋ยวก็หลงทุกคนรู้จักอยู่แล้วความสุขเป็นไงทุกคนก็รู้ความทุกข์เป็นงไงทุกคนก็รู้ความโลภความโกรธความหลงเป็นยังไงทุกคนก็รู้เพียงแต่เราละเลยที่จะคอยรู้เท่านั้นเองถ้าจะรู้ก็รู้ได้อย่างใจเราโกรธขึ้นมาเวลาใจเราโกรธขึ้นม า, า, รร า, นมาแทนที่เราจะรู้ว่าใจกาลังโกรธอยู่เราจะไปดูคนที่ทาใหเราโกรธ เราจะไปสนใจคนที่ทำให้เราโกรธยังขัารถอยู่แล้วคนปาดหน้าเราใจมันโกรธขึ้นมานะแทนที่เราจะรู้ว่าใจกำลังโกรธอยู่มันจะไปดูไอ้คนที่ปาดหน้าเรานู่นมันหนีไปนู่นแล้วเดี๋ยวจะไปปาดคืนมันนะเวลาเรารักอะไรนะใจเราก็จะไหลไปอยู่ที่สิ่งที่เรารักอย่างเราไปเห็นเขาขายโทรศัพท์มือถือรุ่นใหม่อยากไดนะ้ใจเราไปอยู่ที่โทรศัพท์มือถือเราไม่รู้ว่าใจกาลังโลภอยู่ใจกาลังอยากได้ ถ้าเราคอยรู้ทันนะใจมันโลภขึ้นมาแล้วแค่นี้เองแหละเรียกว่าการเรียนรู้ตัวเองไม่ใช่เรื่องยากอะไรเลยนั้นการที่จะมาเรียนรู้ตัวเองเนี่ยไม่ใช่เรื่องยากทุกคนสามารถทําได้แต่ไม่ทําเท่านั้นเองหลวงพ่อไปเรียนกรรมฐานจากหลวงปู่ดูลหลวงปู่ดูลท่านเป็นลูกศิษย์หลวงปู่มั่นอีกทิงคําแรกเลยที่หลวงปู่ดูลสอนท่านบอกว่าการปฏิบัตินะั้นไม่ยากยากเฉพาะผู้ไม่ปฏิบัติเพราะนั้นจริงๆการปฏิบัติไม่ยาก ถ้าเรารู้ว่าการปฏิบัติทำคือการเรียนรู้ตัวเองนะถ้าเรียนรู้สําเร็จแล้วเราจะลด ล, ละลดลความเห็นแก่ตัวได้เราลดละความเห็นแก่ตัวได้เราจะอยู่อย่างมีความสุขอยู่อย่างสงบอยู่อย่างสันติตัวเองก็ไม่ถูกเบียดเบียนนะคนทั้งหลายนี่เบียดเบียนตัวเองก่อนนะแล้วเบียดเบียนคนอื่นทีหลังเป็นอย่างนี้ทุกทุคนเลยงั้นเรามาเรียนรู้ตัวเองนะขั้นแรกเลยความรู้สึกตัวอย่าใจลอยคนทั้งโลกใจลอย หาคนรู้สึกตัวแทบไม่ได้เลยนนในโลกนี้เต็มไปด้วยคนหลงเราพยายามมารู้สึกตัวนะเราสังเกตแม้ั้งแต่ตื่นนอนเนี่ยร่างกายเราเคลื่อนไหวตั้งเท่าไหร่เรารู้สึกไหมเราหายใจเข้าหายใจออกไปกี่ครั้งแล้วเรารู้สึกไหมเราไม่รู้สึกเลยนะเราลืมตลอดเวลางั้นต่อไปนี้เราอย่าลืมตัวเองนะใครรู้สึกตัวเองเรื่อยๆร่างกายหายใจเข้าร่างกายหายใจออกค่อยรู้สึกร่างกายยืนเดินนั่งนอนค่อยรู้สึกรู้สึกบ่อยๆ จิตใจเป็นสุขจิตใจเป็นทุกขนะ์จิตใจโลภจิตใจโกรธจิตใจหลงค่อยรู้บ่อยๆเราหัดรู้ความรู้สึกที่เกิดขึ้นสดๆร้อนๆนะในกายของเรารู้ความรู้สึกที่สดๆร้อนๆในจิตใจมันมีความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงทั้งในกายในใจอยู่ตลอดเวลาทุกคนรู้ได้นะค่อยรู้เท่านั้นแหละรู้บ่อยๆการที่เราคอยรู้สึกตัวนะอย่างใจเราโลภขึ้นมาเราคอยรู้ใจเราโกรธขึ้นมาคอยรู้เนี่ย อย่าถ้าเป็นผู้พักษานะมันลำเอียงขึ้นมาลำเอียงเพราะรักลำเอียงเพราะโลภลำเอียงเพราะโกรธเลยรนี่เห็นทันทีเลยเห็นเลยว่ากิเลสมันเกิดขึ้นในใจแล้วทันทีที่เห็นนะกิเลสจะดับทันทีโดยที่เราไม่ต้องดับกิเลสนะกิเลสดับมาตโนอมัติเลยเวื่เรามาหัดรู้ทันกายรู้ทันใจของตัวเองบ่อยๆศาสตร์ของพระพุทธเจ้านะ่อาอัศจรรย์นะง่ายให้ผลอย่างอาศัศจรรย์นะ สามารถสลัดความทุกข์ออกจากชีวิตของเราได้มันง่ายอย่างไม่น่าเชื่อนะก็แค่เราคอยรู้สึกคอยรู้ความจริงของกายคอยรู้ความจริงของใจความจริงของร่างกายก็คือเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาความจริงของจิตใจก็คือเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาอย่างจิตใจเราเดี๋ยวก็สุขนะเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเราก็คอยรู้เท่านั้นเอง ต่อไปสติปัญญาเราแกกล้าขึ้นเราก็จะเริ่มเห็นความจริงแล้วร่างกายที่หายใจออกก็ชั่วคราวร่างกายที่หายใจเข้าก็ชั่วคราวร่างกายที่ยืนที่เดินที่นั่งที่นอนก็ชั่วคราวนะร่างกายที่เป็นสุขก็อยู่ชั่วคราวร่างกายที่ทุกข์ก็ชั่วคราวความสุขความทุกข์ก็เป็นของชั่วคราวความสุขความทุกข์ในจิตใจก็เป็นของชั่วคราวความโลภความโกรธความหลงในใจก็เป็นของชั่วคลาว อย่างคนอกหักนะอกหักเพรว่าทุกนานทุกมากไม่ต้องทําอะไรก็หายไม่ต้องหาทางแก้นะอย่างอกหักแล้วว่ากลุ่มใจจะเป็นจะตายอย่าเพิ่งรีบตายเท่านั้นอยู่นานๆไปนะก็หายอกหักเองอ่ะเพราะอะไรเพราะทุกอย่างในชีวิตเรานี้เป็นของชั่วคราวหมดเลยนี่มาเรียนรู้นะมาเรียนรู้ลงมาทุกอย่างในชีวิตนี้เป็นของชั่วคราวทุกอย่างในร่างกายนี้ก็ของชั่วคราวทุกอย่างในจิตใจก็ของชั่วคราว ความสุขก็ชั่วคราวความทุกข์ก็ชั่วคราวความโลภความโกรธความหลงก็ชั่วคราวนี่แหละเรียกว่าการปฏิบัติธรรมนะพอเราตามรู้ตามดูมากเข้ามากเข้าหัดนะดูบ่อยๆนะและชีวิตจิตใจของเราจะเปลี่ยนแบบอศัศจรรย์ที่สุดเลยเปลี่ยนอย่างนึกไม่ถึงเลยพอเราอย่างเราเห็นเลยความสุขที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นของชั่วคราวความดิ้นรนที่จะสแสวงหาความสุขนะก็เริ่มลดลงแล้ว ไม่รู้จะดิ้นรนมากทำไมนะมันของชั่วคราวอย่างคนเราโกงคนอื่นได้นะอยากได้เงิน เ, นเยอะๆนะมันลืมไปว่าชีวิตนี่ชั่วคราวหรืออยากมีชื่อเสียงไม่รู้นะว่าชื่อเสียงก็ของชั่วคราวอะไรๆมันชั่วคราวไปหมดอะเรามาเรียนรู้ให้เห็นความจริงของชีวิตว่าทุกอย่างมันเป็นของชั่วคราวความสุขที่เกิดขึ้นก็ชั่วคราวความทุกข์เกิดขึ้นก็ชั่ว kaikki. คราวกระทั่งกิเลสก็ชั่ว kaikki. คราวกุศลก็ชั่วคราว มาเรียนให้เห็นความจริงตัวนี้แหละว่าทุกอย่างเป็นของชั่วคราวนะพอเราเห็นตรงนี้ได้เนี่ยความดิ้นรนของจิตมันจะลดลงอย่างอย่างความโลภเกิดขึ้นนะแต่เดิมโลภขึ้นมาเราไม่เคยเห็นนะเราก็วิ่งพลานเลยนะที่จะสนองความอยากของเราอยากโน้อนอยากนี้ความอยากเกิดทั้งวันเราต้องวิ่งสนองความอยากนะั้นเหนื่อยมากในการหาเงินไปเที่ยวซื้อของที่อยากทุกสิ่งทุกอย่างนะซื้อมาแล้วก็ไม่เคยใช้เลยหลายสิ่งหลายอย่างพวกเราแต่ละคนเราไปสำรวจในบ้านเรา มีของทรัพย์สมบัติของเราจำนวนมากเลยที่ปีหนึ่งแล้วเรายังไม่เคยหยิบขึ้นมาเลยมีไหมผู้หญิงมีเยอะนะผู้หญิงจะมีเยอะเลยลองสำรวจนะเราจะพบว่าส่วนเกิดในชีวิตนั้นเยอะเยอะแล้วถ้าเราไม่เข้าใจเราก็จะหาไปเรื่อยนะหาไปเรื่อยดิ้นหาไปเรื่อยเยเหนื่อยมากเลยเวลาที่ดิ้นรนหามากๆามันก็ไปกระทบกระทั่งคนอื่นครับทรัพยากรมันจากัดนี่เรายาามากคนเดียวก็กระทบกระทั่งคนอื่น เบียดเบียนกันนะกฎหมายก็เข้ามาจัดการมาพยายามมาจัดการให้มันยุติธรรมขึ้นแต่ต้นต่อจริงๆมันมาจากใจของเราที่มันไม่เต็มมันไม่อิ่มมันไม่รู้จักพออย่างบางทีอยู่เฉยๆไม่มีใครเข้าทําให้เราทุกข์มันก็เจ็บป่วยขึ้นมาหรือส่องกระจกดูวันนี้หน้าเหี่ยวผู้หญิงนะตีนกาอันแรกขึ้นเนี่ยเป็นเรื่องที่หวั่นไหวที่สุดเลยตีนกาอันที่สิบขึ้นจะเฉยๆนะ เฉยต้องชินแล้วมันยอมรับได้แล้วว่าจะต้องแก่ถ้ายอมไม่ได้นะทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตเนี่ยถ้าเรายอมรับไม่ได้นะเราจะทุกข์มากเลยร่างกายมันต้องแก่นะถ้าเรายอมรับความจริงไม่ได้เรารู้สึกร่างกายเราต้องคงที่ถาวรตลอดเราก็ต้องทุกข์นะพอมันแก่เราก็ทุกขกุ่มใจร่างกายต้องเจ็บป่วยเรายอมรับความจริงไม่ได้เราอยากแข็งแรงถาวรนิรัดนดรเราก็ทุกข์นะร่างกายต้องตาย ยอมรับไม่ได้เราก็ทุกขนะ์ดังนั้นถ้าเรายอมรับความจริงได้โดยการมาหัดรู้เลยทุกอย่างในร่างกายนี้ของชั่วคราวหายใจเข้าก็ชั่วคราวหายใจออกก็ชั่วคราวความสุขความทุกข์ในร่างกายนี้ก็ของชั่วคราวอะไรใดก็ชั่วคราวถ้าใจยอมรับได้นะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับร่างกายและใจมันก็ไม่ทุกข์ไปด้วยแล้วถ้ามาคอยรู้จิตใจจะเห็นว่าทุกอย่างในจิตใจเป็นของชั่วคราวถ้ารู้ได้ต่อไปไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นกับจิตใจจิตใจก็ไม่ทุกข์นะ อย่างความสุขเกิดขึ้นมาแล้วความสุขหายไปยไม่กลุ่มใจหรอกเพราะมันรู้ความจริงว่าความสุขเป็นของชั่วคราวความทุกข์เกิด ข, ขึ้นมาในชีวิตเราเราก็ไม่กลุ่มใจเพราะเรารู้ว่าเดี๋ยวมันก็ไปมันอยู่ชั่วคราวทุกอย่างในชีวิตเป็นของชั่วคราวหมดพยายามมาเรียนให้มากเลยนะพอเราเห็นว่าทุกอย่างทุกอย่างที่เกิดขึ้นมานั้เป็นของชั่วคราวไปหมดใจมันจะค่อยๆสงบลงมาใจมันจะค่อยมีสันติสุขขึ้นมามันยอมรับทุกสิ่งทุกอย่างได้เพราะมันรู้ว่าชั่วคราวไปหมด กิเรสก็ชั่วคราวโกรธก็ชั่วคราวเสียใจก็ชั่วคราวเนี่าบางคนอกหักนะจะไปฆ่าตัวตายวัยรุ่นชอบมากเลยฆ่าเปลือกใครเขาจะมาห้ามใครก่อนจะฆ่าต้องเหลียวซ้ายแลกขวาจะมีใครเห็นไหม <laughs> บางคนไปขยันกินยากินแล้วกินอีกไม่ตายสตรีม <laughs> ก็ไม่สรุปบทเรียนนะว่ายายตัวนี้กินไม่ตาย <laughs> <laughs> ถ้าเมื่อไหร่เราเห็นว่าทุกอย่างในชีวิตของเราชั่วคราว ใจเราจะมีสันทีุ่ขเกิดขึ้นนะเพราะความอยากมันจะลดลงความดิ้นรนความเร่าร้อนในใจนี่จะลดลงนะี่เราฝึกนะฝึกธรรมะไม่ใช่เรื่องพูดเล่นๆธรรมะเป็นศาสตร์อันหนึ่งที่ต้องลงมือทาวิธีลงมือทานะไม่ยากอะไรนะคอยรู้สึกตัวขึ้นมาแล้วเรียนรู้ความจริงของกายเรียนรู้ความจริงของจิตใจนะเรียนรู้อย่างนี้เรื่อยๆไปพอมันเห็นมาตัวอย่างชั่วคราวเนี่ย ความอยากมันจะลดลงความสุกขก็เป็นของชั่วคราวไม่เห็นจะต้องอยากให้มันอยู่ตลอดความทุกข์ก็เป็นของชั่วคราวไม่เห็นต้องอยากให้มันหายไปทันทีทุกอย่างเป็นของชั่วคราวหมดเลยแระทั้งชีวิตของเราเองก็ชั่วคาวราวทรัพย์สมบัติก็เป็นของชั่วคราวสามีพัญญาก็าชั่วคราวนะลูกก็ชั่วคราวมีบางคนนะเลี้ยงลูกลูกเล็กๆน่ารักมากเลยลูกเชื่อฟังตลอดเลยพอลูกเรียนหนังสือจบมหาวิเลยนะลูกประกาศอิสรภาพ บอกทนมานานแล้วนะวันนี้หลังน้ำํำพร้อประกาศอิสรภาพแล้วไม่ขึ้นกับแม่อีกต่อไปแล้วแม่ตกใจแม่เสียลูกไปลูกไม่ได้ตายนะแต่แม่สูญเสียลูกที่เคยรู้จักไปแล้วกลายเป็นคนคนใหม่ที่ไม่รู้จักขนะึ้นมยอมรับไม่ได้นะยอมรับไม่ได้ร่วมใจนะเสียใจอยากได้ลูกคนเดิมคืนมาถามว่าลูกคนเดิมมันเป็นยังไงมันยังตัวเล็กๆนะ ต้องส่งมันเรียนหนังสือนะจะส่งมันจนตัวเองอายุ 70-80 สิบแไมันก็ไม่เอาอีกนะเนี่ยถ้าเรายอมรับความจริงในชีวิตไม่ได้เราจะจะจะเป็นทุกข์นะถ้าเรายอมรับได้ไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นเราจะไม่ทุกข์หรอกเพราะงั้นหัดเรียนรู้ตัวเองให้มากเรียนรู้ตัวเองบ่อยๆนะแต่ว่ามันมีเงื่อนไขสําคัญอยู่2ตัวนะควรจะถือศีลห้าถ้าเราไม่ถือศีลห้ซะเลยเนี่ย เราเรียนรู้ตัวเองยากที่สุดเลยเห็นแค่ตัวมากเห็นแก่ตัวรุนแรงนะการเราที่เราคอยถือศีลไว้ไม่ต้องมากนะเอา5ข้อก็พอนะถือศีล ห, ห้าข้อก็พอแล้วนะมันจะเป็นการจัดระเบียบจัดระเบียบพฤติกรรมศีลเนี่ยเป็นตัวจัดระเบียบพฤติกรรมทางกายทางวาจาของเราเงั้นถ้าคนมีศีล น, นะไม่ค่อยผิดกฎหมายยกเว้นกฎหมายพิเศษนะที่กําหนดว่า ขับรถต้องชิดซ้ายอะไรเงี้ยอันนี้ไม่ใช่กฎหมายตามธรรมชาติแต่ยังฆ่าคนแล้วไม่ดีนะอไอย่างนี้อย่างนี้เราจะไม่เป็นไม่ทําผิดนะเพราะว่ามันไม่ดีจริงๆงั้นเบื้องต้นตั้งใจไว้ก่อนรักษาศีลห้าให้ได้ต่อมาฝึกสมาธิอย่าวาดภาพสมาธิยากเกินไปวิธีฝึกสมาธิสมาธิแปลว่าความตั้งมั่นฝึกให้จิตใจมันอยู่กับเนื้อกับตัวให้มากๆ อย่าหลงอย่าลืมตัวเองบ่อยนะรู้สึกตัวบ่อยๆพอรู้สึกตัวได้แล้วมาเจริญปัญญาคอยดูความจริงของร่างกายดูความจริงของจิตใจนะเรียนรู้กายเรียนรู้ใจบ่อยๆดูจิตดูใจได้ดูไปเลยนะเราจะเห็นเลยจิตใจของเราเปลี่ย น, ปยนแปลงตลอดเวลาอย่าตื่นนอนมานะวันจันทร์เป็นนักศึกษาหรือเป็นอาจารย์ตื่นนอนมาวันนึกขึ้นได้วัน น, น, นี้วันจันทร์จิตใจเป็นไงสดชื่นวันนี้จะได้ไปสอนอีกลนะ หรือสดชื่นจังวันนี้จะได้ไปเรียนสดชื่นไหมเนี่ยนักศึกษาสายหน้าเลยนี่นักศึกษาที่ดีไม่อยากเรียนสอบแย่งกันแทบตายนะเพื่อจะเข้าจุฬาแต่วันไหนอาจารย์งดแล้วดีใจมันขัดแย้งชอบกล น, นะยังไงชอบกล สังเกตดูอย่างพวกเราเนี่ยทงานอยู่ทุกคนวัยทํางานส่วนใหญ่เด็กมีน้อยในนี้ตื่นนอนมาวันจันทร์พอรนึกว่าวันนี้วันจันทร์นะใจคอแห้งแรงนะตื่นนอนมาวันอังคารก็เบื่อเบื่อใช่ไหมวันพุธนี้เบื่อที่สุดเลยวันอังคารนี้ก็เซ็งเซงวันพุธนี้เบื่อมากพอถึงวันพฤหัสน่ะตื่นนอนมานึกได้วันนี้วันพฤหัสเริ่มมีความสุขแล้วนึกออกไอมทําไมตื่นนอนก็ตื่นเวลาเดิมความรู้สึกไม่เหมือนกันเพราะความคิดมันต่างกัน มันนึกได้ว่าวันนี้วันจันทร์นะความรู้สึกก็แห้งแล้งมากเลยวันอังคารวันพุธก็ยังไม่ค่อยจะดีวันพฤหัสสดชื่นขึ้นมาวันศุกร์น่าจดีกระดาษแล้วนัดใจเราเปลี่ยนเนี่อ ก, การหัดรู้จิตใจตัวเองเนี่ยไม่ใช่เรื่องยากเลยรู้ตั้งแต่ตื่นนอนนี่แหละตื่นนอนมาวันนี้ความรู้สึกของเราเป็นอย่างนี้ตื่นนอนวันนี้ความรู้สึกของเราเป็นอย่างนี้แล้วจะดูไปเรื่อยนะทีแรกเราดูแต่ละวันความรู้สึกของเราไม่เหมือนกัน ต่อมาพอเราภาวนาเก่งขึ้นปฏิบัติเก่งขึ้นเราจะเห็นเลในวันเดียวกันนะีความรู้สึกเช้าสายบ่ายเย็นเนะี่ยความรู้สึกก็ไม่เหมือนกันอย่างตอนเช้าตื่นขึ้นมาสดชื่นใช่ไหมออกจากบ้านวันนี้รถติดเป็นพิเศษฝนตกมากรถติดมากงุนหงิดพอมาถึงที่ทํางานแฟนโทรมาหาถึงหรือยังถึงหรือยังแค่นี้หวานใจก็ยิ้มหวานละจากงุนหงิดเปลี่ยนเป็นดีใจถึงเวลาเรียนถึงเวลาเรียนนะเห็นอาจารย์ท่านนี้มา นักศึกษารู้สึกไหมอาจารย์ท่านนี้ น, ะน่าเบื่อที่สุดเลยเห็นอาจารย์ท่านนี้มาชอบแค่เห็นอาจารย์นะความรู้สึกยังไม่เท่ากันเลยเนี่ยเราคอยรู้ทันใจของต<ๆ>ัวเองบ่อยเห็นอาจารย์วิชานี้ไม่ชอบนะหรือบางทีไม่ชอบวิชา <S <S ชอบอาจารย์อย่างนี้ก็มีเนี่ยเรารู้ทันเลยถ้าชอบทั้งอาจารย์ชอบทั้งวิชาที่อาจารย์สอนมีความสุขที่จะเรียนถ้าเกลียดทั้งอาจารย์แล้วเกลียดวิชานี้ด้วยมีความทุกข์ที่จะเรียน เรื่อยคอยรู้ทันใจของเรานะพอเปลี่ยนชั่วโมงนะเปลี่ยนคาบไปความรู้สึกก็เปลี่ยนแล้วพอถึงเวลากินข้าวกลางวันความรู้สึกไป อ, อย่างละ ว, วันนี้จะโดดเรียนได้ไหมอะไรอย่างนี้นะจะหนีไปสมัยหลวงพ่อนะัมันจะมีที่สยา ม, มนี่มันมีโรงหนังเยอะนะอย่าอย่าตั้งว่าหลวงพ่อหนีเรียนนะ uh huh. เราไม่ได้หนีเรียนไปดูหนังหรอก เนี่ยคอยดูนะความรู้สึกของเราในวันเดียวกันนะเช้าสายบ่ายเย็นไม่เหมือนกันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาคอยรู้ทันใจของตัวเองที่เปลี่ยนแปลงนะคอยรู้ไปเรื่อยตกเย็นตกค่ำความรู้สึกก็เปลี่ยนไปอีกหัดดูเรื่อยๆนะหัดดูความรู้สึกของตัวเองบ่อยๆไม่นานนะใช้เวลาเดือนหนึ่งสองเดือน3เดือนเราจะพบความเปลี่ยนแปลงซึ่งอศัศจรรย์ในตัวเองอศัศจรรย์ขนาดไหนเนี่ยใครเคยฟังซีดีหลวงพ่อแล้วจะรู้ เวลาที่เขาส่งกันบ้านถามปัญหาธรรมะหลวงพ่อกนะันจะพบว่าแต่ละคนนะชีวิตจิตใจเขาเปลี่ยนเหมือนเป็นคนใหม่นะในร่างเดิมแล้วบางทีร่างกายเปลี่ยนด้วยแต่เดิมหน้าตาดูไม่ได้หน้าตาเหมือนช้างเหยียบเลยนะ <c oughs> เครียดจัดนะ่ะพอหัดดูจิต ด, ดูใ จ, ใจรู้ทันใจตัวเองบ่อยๆจิตใจมันสงบสุขนะหน้าตาผ่องใสมีผู้หญิงหลายคนเลยสามีบอกคุณไปทําอะไรมา หน้าตาดูเด็กกว่าเก่านะแต่ก่อนดูแก่งักเลยเพอมาหัดภาวนาหัดดูใจหัดดูความรู้สึกของตัวเองนหน้าตาดูเด็กขึ้นนะเคยปากมากก็ปากน้อยลงนะไม่จําเป็นก็ไม่ว่าใครไม่จําเป็นก็ไม่พูดอะไรเนื้อสีนี่ก็ดีขึ้ น, นเราลองดูนะลองดูเราให้โอกาสแกัชีวิตของตัวเองบ้างเราเรียนรู้ศาสตร์สาขาต่างๆในโลกมามากแล้วต่อไปนี้ลองมาเรียนรู้ตัวเองดู เรีรู้ร่างกายเคลื่อนไหวคอยรู้สึกนะใจหนีไปคิดคอยรู้สึกถ้าใจหนีไปคิดยังไม่รู้สึกนั่นไม่จะเกิดความรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์ขึ้นมาเกิดกุศลเกิดโลบโกรดหลงอะไรขึ้นมาก็ค่อยรู้สึกเอาคอยรู้ทันความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในร่างกายรู้ทันความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในจิตใจบ่อยๆไม่ต้องมีคําว่าปฏิบัติธรรมก็ได้ไม่ต้องมีภาษาบาลีสักคําเดียวก็ได้แต่คอยรู้ความเปลี่ยนแปลงบ่อยๆ รู้ไปนานไปนะสักเดือนสองเดือนสเดือนชีวิตจะเปลี่ยนในสมัยพุทธกาลพวกเดียร์ีใครเคยได้ยินคําว่าเดียร์ีเดียร์ีไม่ใช่คําเหยียดหยามนะเดียร์ีแปลว่าท่าน้ําสมัยโบราณเวลาเดินทางเขาชอบนั่งเรือไปลงเรือไปคนนี้ชอบเรือสายนี้ไปนั่งท่าน้นํานี้คนนี้ชอบลงเรือที่ท่าน้นํานี้คนละท่าน้ําก็คือคนละความเชื่อกันไม่ทะเลาะกันนะ ต่างคนคนไหนเชื่อลัทธิไหนก็ไปหาอาจารย์นั้นก็สอนกันต่างคนต่างก็อยู่กันไปแต่บางทีก็กระทบกระทั่งกันพวกเดรรทีเนี่ยคอยสั่งลูกศิษย์ว่าอย่าไปพบพระสมณะโคโดมนะอย่าไปพบพระพุทธเจ้านะถ้าพบก็อยู่ห่างๆอย่าไปพูดด้วยนะอย่าไปฟังเพราะสมณะโคโดมนั้นมีมนเปลี่ยนใจมีมนเปลี่ยนใจมนเปลี่ยนใจของพระพุทธเจ้าเราเนี่ยอศัศจริงๆนะเปลี่ยนจาก จิตใจชั่วร้ายนะให้เป็นจิตใจที่ดีงามได้เปลี่ยนจากใจจิตใจที่เร่าร้อนให้เป็นจิตใจที่ร่มเย็นได้เปลี่ยนจากจิตใจที่มีกิเลสมากมายนะให้เป็นจิตใจที่มีความรู้สึกในทางบวกเกิดขึ้นนะสามารถเปลี่ยนได้อย่างรวดเร็วเลยเคยมีทุกข์มากๆก็ทุกข์น้อยลงเคยมีทุกข์นานนนก็ทุกข์สั้นลงธรรมะของพระพุทธเจ้านั้นเปลี่ยนคนได้แล้วเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว ด, ด้วย ไม่ใช่ภาวนามา20ปีก็ยังเหมือนเดิมสงบแล้วก็ฟุ้งซ่านสงบแล้วก็ฟุ้งซ่านถ้าได้แค่นั้นต้องมาทบทวนแล้วล่ะว่าเรียนคําสอนของพระพุทธเจ้าไม่ทั่วถึงแล้วคําสอนของพระพุทธเจ้าเปลี่ยนเราอย่างรวดเร็วนะไม่นานหรอกไม่ช้าหรอกคอยรู้ทันใจของเราถ้าเรารู้ทันใจบ่อยๆพอกิเลสเกิดขึ้นเรารู้ทันความโกรธเกิดขึ้นเรารู้ทันพอความโกรธเกิดขึ้นเรารู้ทันจิตใจที่เคย โหดร้ายทารุณชอบชกชอบต่อยนะชอบรังแกคนอื่นมันจะหายไปคนทำผิดศีลได้นะเพราะอะไรเพราะกิเลสเกิดขึ้นครอบงำจิตใจแล้วมองไม่เห็นถ้าเราคอยรู้ทันจิตใจของเรานะความโกรธเกิดขึ้นเรารู้ทันนะเราจะไม่ฆ่าใครเราจะไม่ตีใครเราจะไม่ด่าใครเราจะไม่แกล้งทำลายทรัพย์สินของใครนะถ้าความอยากความโลภเกิดขึ้นในใจเรารู้ทัน ความโลภจะครอบงําใจเราไม่ได้ถ้าความโลภครอบงําใจเราไม่ได้เราไม่ลักใครไม่ขโมยใครไม่เป็นชู้กับใครไม่ปลิ้นปล้อนหลอกลวงใครเพื่อหวังทรัพย์สินหวังผลประโยชน์อะไรทั้งสิน้นแมนี่เปลี่ยนมาจากข้างในอาศัยสตินี่แหละคอยรู้ทันจิตใจของตนเองให้มากเลยนะจิตใจจากคนทุศีลนะินจะเป็นจิตใจของคนมีศีลแค่นี้นะกฎหมายทำงานน้อยลงเยอะเลยแต่ว่าพวก ผู้พักษาพวกอายการนะพวกทนายไม่ต้องกังวล น, นะว่าหลวงพ่อสอนธรรมะแล้วคนมีศรรมมลีลมีธรรมแล้วจะตกงานไม่ตกหรอกคนที่เรียนธรรมะ ม, มีน้อยคนอาธรรมมันเยอะกว่าพวกที่เรียนธรรมะนะเวลาเทศธรรมะนะหลวงพ่อเทศอย่างมากก็คนฟังห้าพันกว่าคน3ามพันสองันอะไรอย่างงี้ยบางทีก็น้อยกว่านั้นะอย่างห้องนี้เล็กก็มีน้อยหน่อยแต่คนที่ไปดูคอนเสิร์ต ท, ที ดูคนหลายพันนะเราสู้เขาไม่ได้หรอกเพราะในโลกนะกฎหมายยังจําเป็นนะเพราะคนที่จะมีธรรมะมาเปลี่ยนตัวเองให้มันไม่ชั่วร้ายเนะี่ยมีไม่มากหรอกแต่พวกเราเป็นคนส่วนน้อยที่มีโอกาสดีเราได้ยินธรรมะของพระพุทธเจ้าแล้วเราคอยเรียนรู้ของตัวเองนะเรียนรู้ใจตัวเองบ่อยๆความโลภความโกรธความหลงความฟุ้งซ่านความหดหู่อะไรเกิดขึ้นในใจรู้บ่อยๆ ถ้าเรารู้ได้นะเราจะไม่ทำผิดศีลโดยอัตโนมัติเลยเราจะไม่ฆ่าใครไม่ตีใครไม่ด่าใครไม่ลักไม่ขโมยใครนะไม่เป็นชู้กับใครนะไม่ปลิ้นปล้อนหลอกหลวงธรรมะมันมีนะใจเรามีสติขึ้นมาก็มีศีลขึ้นมากฎหมายเนี่ยทำงานน้อยลงไปเลยเพราะเราไม่ทำผิดกฎหมายจำนวนมากเลยแต่กฎหมายบางอย่างไม่รู้เรื่องก็ผิดได้นะอย่างถ้าเราไม่รู้ว่าไฟเขียวแว่าให้ไปได้ เราไม่รู้นะถ้าเราไม่รู้จริงๆแล้วไฟเขียวเราจะหยุดเพื่อนด่าอีกไฟเหลืองแปลว่าอะไรไฟเหลืองแปลว่าให้รีบไปไฟแดงแล้วไฟแดงสองสามวินาทีแรกเล้ยังไปได้อะไรเงี้ยโออย่างนี้เหลวไหลนะเพราะอะไรเพราะเห็นแก่ตัวเพราะเห็นแก่ตัวงั้นเราเรียนลงมาที่ใจของเรานะคอยรู้ทันใจของตัวเองไปกิเลสเกิดขึ้นเรารู้ทันเราจะไม่เป็นคนเห็นแก่ตัว และความฟุ้งซ่านอะไรเกิดขึ้นเรารู้ทันอย่างเราจะอ่านหนังสือเตรียมสอบใจมันฟุ้งซ่านเรามีสติรู้ทันว่าใจกําลังฟุ้งซ่านอยู่ ท, ทันทีที่เรารู้ทันว่าใจฟุ้งซ่านนะสมาธิจะเกิดขึ้นเองจิตเราจะสงบเลยนะสงบแล้วคราวนี้อ่านหนังสือสบายเรียนหนังสือสบายได้นั่นเราหัดนะหัดรู้ทันใจของเราไปเรื่อยถ้ารู้ทันกิเลส ท, ที่เกิดขึ้นในใจเราจะมีสีนัทนามัต ถ้ารู้ทันความฟุ้งซ่านที่เกิดขึ้นในใจเราจะได้สมาธิอัตโนมัติถ้าเรารู้ทันว่ตทุอย่างที่ผ่านเข้ามาทางกายทุกอย่างที่ผ่านเข้ามาทางใจเป็นของชั่วคราวเราจะได้ปัญญาปัญญาในทางพระพุทธศาสนาไม่ใช่ความฉลาดนะคนละเรื่องกันปัญญาในพระพุทธศาสนาคือการเห็นความจริงว่าทุกอย่างมันไม่เที่ยงทุกอย่างมันเป็นทุกข์ทุกอย่างมันอยู่ได้ชั่วคราว ความสุขก็ชั่วคราวความทุกข์ก็ชั่วคราวกุศลนะกุศลก็ชั่วคราวบังคับไม่ได้สั่งไม่ได้บังคับไม่ได้ไม่อยู่ในอำนาจบังคับเนี่ยถ้ามาเรียนนะคอยรู้ทันใจของตัวเองไปเรื่อยจากคนไม่มีศีลก็จะเกิดเป็นคนที่มีศีลจากคนที่ฟุ้งซ่านก็จะเปลี่ยนเป็นคนสงบจากคนที่ไม่เคยเรียนรู้ความจริงของกายของใจตัวเองก็จะหันมาเรียนรู้ถ้าฟังซีดีนะซีดีที่หลวงพอ่อแจกให้นะ จะมีคนส่งกันบ้านเยอะเลยเขาจะบอกเลยว่าเขาเห็นความชั่วร้ายของตัวเองมาหาศาลเลยหาคนชั่วไม่ต้องไปหาที่อื่นเลยหาในใจของเราเอ ง, เองนี่เองเนี่ยคนลงมันเห็นความชั่วของตัวเองได้มันก็สู้ความชั่วไหวแล้วเปลี่ยนแปลงตัวเองได้เพราะเห็นแล้วว่าตัวเองไม่ดีตรงไหนก็เปลี่ยนตัวเองได้ในขณะที่คนซึ่งไม่เคยเรียนรู้ตัวเองมันหลงตัวเองคิดว่าเราดีวิเศษอยู่แล้วพวกนี้ไม่มีทางพัฒนาหรอก นะพวกนี้ก็ต้องเอากฎหมายไปควบคุมเอากฎหมายไปบังคับเอานะเพราะงั้นถ้าหากเราช่วยกันประกาศธรรมะออกไปนะการที่พาดความขัดแย้งอะไรมันก็จะลดลงนะสังคมมันก็ร่มเย็นขึ้นการที่จะไปบังคับกันด้วยกฎหมายมันก็ลดลงนะผู้ที่จะใช้กฎหมายเองอย่างผู้พักษานะอายการทนายอะไรก็จะทําด้วยความเที่ยงธรรมได้เยอะขึ้นด้วยเพราะความรำยังเกิดก็จะรู้ทันนะ การที่เราคอยรู้ทันใจของตัวเองได้ เ, เราจะเปลี่ยนตัวเองได้จากคนเลวๆจากคนไม่มีศีลจะกลายเป็นคนมีศีลจากคนฟุง้งซ่านจะเป็นคนที่สงบขึ้นจากคนที่ไม่มองความจริงของชีวิตไม่เคยรู้ความจริงของตัวเองเลยจะได้รู้ความจริงของตัวเองขึ้นมาสิ่งนี้เป็นสิ่งที่จาเป็นที่สุดนะเราจำเป็นต้องพัฒนาจิตวิญญาณของเราให้พัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆแล้วชีวิตจะมีความสุขมากขึ้น ชีวิตของคนไม่ยาวนานเรื่องอะไรจะต้องเอาเสียเวลาไปทุกนานานานะเรื่องอะไรเราต้องไปจมอยู่กับความทุกข์ตลอดกาลคนทั่วไปที่ไม่เคยสัมผัสธรรมะเขาจมอยู่ในความทุกข์เพราะเขาไม่รู้ทางออก mm. ก็ต้องปล่อยเข้าไปนะบอกเขาได้ก็บอกบอกไม่ได้ก็แล้วไปเดี๋ยวเขาโชคเอานะแต่อย่างเราเรารู้ทางนะเรารู้ทางว่าคอยมีสติรู้ทันใจตัวเองนะถ้ากิเลสเกิดเรารู้ทันเราจะมีศีลเกิดขึ้น ถ้าความฟุ้งซ่านเกิดเรารู้ทันเราจะมีสมาธิเกิดขึ้นแล้วก็คอยรู้ความเปลี่ยนแปลงของกายของใจเรื่อยไปปัญญาคือการเห็นความจริงของชีวิตก็จะเกิดขึ้นจะรู้ะไรทุกอย่างในชีวิตนี้ชั่วคราวแล้วคราวนี้ใจจะเข้าไปสู่ความเป็นกลางมีความเป็นกลางมีความยุติธรรมเกิดขึ้นในจิตใจนี่เป็นการเปลี่ยนตัวเองจากภายในเปลี่ยนคนจากภายนอกนั้นเปลี่ยนไม่ได้จริง อย่างเราร่างรัฐธรรมนูนนะมีองค์กรอิสระอะไรตั้งเยอะแยะนะเราหวังว่าจะมาควบคุมให้สังคมสงบเรียบร้อยเอาเข้าจริงมันก็ไม่ไหวอีกนะเพราะใจของคนมันไม่ได้พัฒนาขึ้นมาแต่ถ้าใจของคนพัฒนานะระเบียบกฎเกณฑ์เนี่ยไม่ค่อยจําเป็นเท่าไหรนะ่จาเป็นบางอย่างเท่านั้นบางอย่างเนี่ยไม่จําเป็นเลยนะแต่ว่าคนส่วนใหญ่มันทําไม่ได้นะ้กฎหมายยังจําเป็นอยู่สําหรับทุกๆบ้านเมืองไม่ใช่สังคมพระอิยะ ถ้าสังคมพระอริยะแท้ๆไม่เห็นแค่ตัวพระวินัยไม่มีไม่จำเป็นเลยใครเคยได้ยินชื่อพระมหากรสปะบ้างมีหมห้ยกมือให้หลวงพ่อดูสิัวหน้าตื่นเต้นว่าคนยุคนี้ยังเคยได้ยินชื่อพระมหากรสปะนะพระมหากรสปะนะ่เคยทูลพระพุทธเจ้าว่าท่านแปลกใจอยู่สมัยต้นพุทธกาลเนี่ยพระอริยะมากพระวินัยมีน้อย สมัยปลายๆพุทธกาลนะพระอริยะเหลือน้อยนะพระวินัยมีมากกฎหมายเยอะขึ้นนะเพราะคนเร็วลงอนะ่ะอันนี้มีตัวอย่างมาตั้งแต่ครั้งโน้นนะนี่พวกเราเราไปแก้คนอื่นไม่ได้เราเริ่มที่ตัวเราเองก่อนถ้าจิตใจเราพัฒนาขึ้นนะเราเปลี่ยนตัวเองได้สงบสันติมันรุ่งเรืองมันสว่างอยู่ภายในคนที่อยู่รอบตัวเราเขาจะรู้สึก คนในบ้านเราคนในครอบครัวเราจะรู้สึกหลายคนเลยที่มาเรียนกับหลวงพ่อนะเกิดความเปลี่ยนแปลงในชีวิตอย่างรวดเร็ ว, รวนะสามีตามมาดูว่าหลวงพ่อนี้ทำอะไรมาสะกดจิตเมียเขาหรือเมียเขาเปลี่ยนใจหรือสามีเปลี่ยนไปสามีเคยไปกินเหล้าเรื่อยๆนะมาฟังธรรมหลวงพ่อประโมทแล้วเลิกกินเหล้าเมียชักเป็นห่วงแนละ้วเพี้ยนหรือเปล่าอะไรเงี้ยตามมาฟังนะตามมาดูอะไรเงี้ยพอตามมาฟังก็ถูกมนเปลี่ยนใจ ไม่ใช่มนของหลวงพ่อหรอกมนของพระพุทธเจ้ามีสตินี่แหละรู้ทันใจตัวเองไปแล้วเราเปลี่ยนนะเราจะมีความสุขมีความสงบในชีวิตมากขึ้นตัวเองรู้ได้ด้วยตัวเองคนที่อยู่ใกล้ชิดคนในครอบครัวเขาก็รู้สึกได้ถ้ารู้สึกได้แล้วเขามีบุญวาสนาพอนะเขาก็สนใจธรรมะใจเขาก็เปลี่ยนตามเราไปด้วยนะหลายคนหลายครอบครัวที่ศึกษาธรรมะแล้วมีธรรมะกันทั้งบ้านเลย ในบ้านนี้สงบร่มเย็นเคยทะเลาะวิวาทเคยตีกันอุตลุดไปหมดนะ mm hmm. ก็เปลี่ยนเปลี่ยนได้งั้นธรรมะของพระพุทธเจ้านี่ให้ความสุขให้ประโยชน์กับคนอย่างมหาศาลเลยนะแต่มันได้กับคนจำนวนน้อยนะคนจำนวนมากก็ต้องอาศัยคนหมายบังคับกันไปนะพอไหวไหมยากไหมยากไหมไม่ยากนะยากอะไรคอยรู้ทันใจตัวเอง ใครๆก็อยากมีคนรู้ใจอยากให้คนอื่นรู้ใจเราแต่เร า, เาละเลยไม่ยอมรู้ใจตัวเองเรารู้ใจตัวเองดูสิร้ายฉมัดเลยร้ายจริงนะเอานะแค่นี้ก็พอแล้วถ้ามีสตินะก็จะได้ศีลได้สมาธิได้ปัญญาได้ชีวิตที่ร่มเย็นเป็นสุขได้คุณงามความดีมากขึ้นเป็นลําดับลําดับนะ ร่มเย็นของตัวเองแล้วก็แผ่ไปสู่คนในครอบครัวต่อไปก็อยู่ในที่ทำงานก็มีความร่มเย็นบางบางหน่วยงานนะเขาก็สนใจศึกษาธรรมะกันทั้งหน่วยงานเลยเขาเห็นความเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีของคนมีธรรมะอย่างบางบริษัทนะให้ให้คนงานเนี่ยศึกษาธรรมะ ม, มันลดการขโมยของของโรงงานได้คนงานโลบพิ่มมามเห็นโลบพิ่มา เขรู้ทันนะว่าไม่โลภแล้วไม่ขโมยของของโรงงานนะระเบียบยอะไรตอนอะไรแล้วก็ปกครองกันง่ายขึ้นดีขึ้นงั้นมันช่วยซึ่งกันและกันนะระหว่างธรรมะกับกฎหมายนะถ้าปกครองตนเองได้ก็ไม่ต้องถูกใครเขาปกครองถ้ามีธรรมะเราปกครองตนเองได้ถ้าปกครองตัวเองไม่ได้ต้องเอากฎหมายมาปกครองดีกว่าเอากฎหมู่มาปกครอง อ่ะเท่านี้ก็พ อ, อนะเรียนมากกลุ้มใจกับเรับอภิกษกาญจุกุลเจ้านะครับในช่วงนี้นะครับเนื่องจากวันนี้เป็นการฟังบรรยายธรรมนะครับก็จะไม่มีการเปิดเวทีให้ถามคำถามนะครับแต่ว่าทางคณะผู้จัดงานก็มีเตรียมคํำถามไว้สั้นๆ น, นะครับสัก2องสามคำถามนะครับเชิญครับก็อดีตก็อาจจะเป็นก็เป็นคำถามทั่วๆไปอะนะคะก็จะขอโ อ, อกาสหลวงพ่อนะคะถาม ก็ถ้าถ้าเมื่อกี้ที่ผมวงอพูดถึงะคะว่าก็ให้ในขั้นตอนการปฏิบัติก็ให้เราถือศีลมีศีนแล้วก็รู้สึกตัวใช่ไหมคะรู้ตัว บ, บ่อยๆถ้าตั้งมันก็ให้ก็จ็บมันจะได้ตั้งมันทีนี้ถ้าเกิดสมมติว่าเห็นที่เล็ดในใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเกิด ใจมันก็รู้กิเลสสมมติเป็นกิเลส ช, ชั่วๆอะไรอย่างนี้ค่ะรู้ว่าชั่วแล้วก็มันเฉยๆเฉมันจะกลายเป็นว่าใจเราด้านชาหรือเปล่ามันมีจุดแยกยังไงคะว่าเรารู้ตัวจริงหรือว่าเราด้านชาหรือว่าในการรู้ตัวเนี่ยค่ะบางคนหลายๆท่านก็อาจจะมีคำถามยอดคิดว่ายังไงมันคือรู้ตัวจริงๆยังไงคือมันการไปเพ่งรู้ตัวที่หรือรู้ตัวบ่อยๆอย่างเงี้ยค่ะ มันจะกลายไปแบบตั้งเตรียมจะรู้ตัวหรือเปล่าอย่างนี้ยค่ะการจะหาครู้สึกตัวนะอย่าไปหับไว้ก่อนอย่าไปรอดูนะถ้าเราจะดูจิตดูใจตัวเองเราอย่าไปจ้องไว้ก่อนอย่าไปรอดูนะใช้ชีวิตที่ธรรมดาธรรมดานี่แหละวิธีปฏิบัติธรรมไม่ได้ยากอะไร ถ้าตาเรามองเห็นความรู้สึกเราเปลี่ยนแล้วก็ค่อยรู้เอาถ้าหูเราได้ยินเสียงความรู้สึกเราเปลี่ยนแล้วก็ค่อยรู้เอาถ้าใจเราคิดและความรู้สึกเราเปลี่ยนแล้วก็ค่อยรู้เอาอย่าไปจ้องรออยู่ที่ใจนะถ้าจ้องบางคนหัดดูจิตดูใจตัวเองไปจ้องรอไว้ก่อนเจ้องครั้ต่อไปนี้จะเริ่มดูจิตใจตัวเองแล้วจ้องดูซิจะมีอะไรโผล่ขึ้นมาเวลาจะมองคนได้มองเห็นเพราะกลัวอะไรจะโผล่ขึ้นมาใจจะทื่อๆนะใจจะแข็งๆอย่างนี้ไม่เอา การที่จะรู้ทันใจของตัวเองนีให้ปล่อยใจไปธรรมชาติธรรมดาที่สุดเลยตาเรามองเห็นหูเราได้ยินเสียงจมูกเราได้กลิ่นลิ้นกระทบรสนะกายกระทบสัมผัสความเย็นความร้อนความอ่อนความแข็งอะไรนะใจมันคิดดีคิดร้ายไม่ห้ามแต่เมื่อตามองเห็นแล้วความรู้สึกมันเปลี่ยนให้รู้ทันมีไหมตามองเห็นแล้วความรู้สึกเปลี่ยนแค่เห็นอาจารย์เข้ามาในห้องเรียนใช่ไหมอาจารย์คนละคนกัน่ะ ความรู้สึกยังเปลี่ยนเลยใช่ไหมอาจารย์คนนี้เราชอบอาจารย์คนนี้ไม่ชอบเนะี่ยความรู้สึกมันเปลี่ยนแทนที่จะบ่นต่สนใจนะเราคอยรู้ทันใจที่เปลี่ยนเห็นของสองอย่างนะของนี้ชอบของนี้ไม่ชอบหรือเราลงไปที่ร้านอาหารอยู่ข้างล่างใช่ไหมมีไหมที่นี่ไปกินข้าวกันที่ไหนเด็กนิติศาสต์กินที่ปากอ๋อกินข้างล่างนี่กิน่ลกินที่ปากตอบตอบตูอีก <laughs> กินข้างล่าง เวลาเราเดินไปที่ร้านอาหารใช่ไหมเห็นไหมว่าตาเรามองเห็นอาหารบางอย่างใจเราชอบเห็นอีกอย่างหนึ่งไม่ชอบใช่ไหมบางทีเดินหัวแถวถึงท้ายแถวไม่ชอบสักอย่างเลยไม่ชอบสักอย่างหุ่นหงิดแล้วแม่ค้าที่นี่นะขาดพัฒนาการซ้ำซากเนี่ยเนี่ยการปฏิบัตินี่ไม่ยากอะไรใช่ไหมแค่เห็นไข่เจียวอยากกินรู้ว่าอยากไม่ใช่รู้ว่าไข่เจียวนะอยากจะกินรู้ว่าอยาก เ, ยเห็นคนนี้รักรู้ว่ารักเห็นคนนี้เกลียดรู้ว่าเกลียด อย่าไปจ้องไว้ก่อนนะให้ความรู้สึกมันเกิดแล้วก็ค่อยรู้เอาถ้าไปจ้องไว้ก่อนจะไม่มีอะไรให้ดูเลยจิตนี่เป็นของแปลกอย่างนะถ้าเราไปจ้องไว้ก่อนจะไม่มีอะไรให้ดูเลยจิตเหมือนเด็กที่ซุกสนนะแต่เป็นเด็กที่กลัวผู้ใหญ่นะถ้าผู้ใหญ่จ้องอยู่นะมันจะทําเป็นเรียบร้อยนั่งนิ่งๆนะพอผู้ใหญ่เผลอมันก็สนนะืนักศึกษาบางคนนะอาจารย์เข้ามาก็ดูเรียบร้อยหน่อยอาจารย์หันหลังปั๊บก็สนลนะ แอบเล่นเกมเล่นมือถือเล่นอะไรไดนะ้จิตนี้ก็เหมือนกันจิตเป็นเด็กซุกซนถ้าเราไปจ้องไปรอดูนะมันจะแกล้งเรียบร้อยเราต้องทําเป็นเผลอเลอแอบชําเหลืองทําเป็นไม่รู้ไม่ชี้บ้างนะเพราะฉะนั้นะพอเราไม่ได้จ้องเอาไว้ก่อนนีความรู้สึกมันจะเกิดมันจะเกิดความรู้สึกตามธรรมชาติที่มาพอความรู้สึกเกิดแล้วค่อยรู้เอาอยางนี้ถึงใช้ได้ถ้าจะดูจิตดูใจโ ด, จดยการไปดักดูไว้ก่อนไม่มีอะไรให้ดูเลย เหมือนเราไปดูเด็กดือ้อเด็กสนนะ่ะไม่มีอะไรให้ดูหลวงพ่อเคยเจอแม่ทัพคนหนึ่งนะแม่ทัพเขาบอกว่าทหารของเขาเนี่ยเรียบร้อยที่สุดเลยเวลาเขาเดินเข้ามาในกองพลนีนะเรียบร้อยทุกคนเรียบร้อยหมดเลยหลวงพ่อก็บอกว่าท่านแม่ทัพถ้าหากอยากรู้ว่าทหารเรียบร้อยจริงหรือเปล่าต้องแอบดูนะไม่ใช่ไปดูในแถวนะถ้าอยากรู้พฤติกรรม ของทหารว่าพ อ, พ, อพอรับหลังผู้บังคัชามัร้ายหรือเปล่าต้องแอบดูมันจิตนี้ก็เหมือนกันอยู่ๆเราไปจ้องใส่มันมันจะทื่อๆไม่มีอะไรให้ดูมันเรียบร้อยให้ดูแต่ถ้าเราไม่คอยระวังไว้นะแป๊บเดียวเดี๋ยวกิเลสก็เกิดแล้วเดี๋ยวความอยากก็เกิดเดี๋ยวความโลภ ก, ก็เกิดเดี๋ยวความหลงก็เกิดเดี๋ยวโทสะอะไรก็เกิดมันอย่าไปจ้องไว้ก่อนนะรอดูเอาแล้วความรู้สึกอะไรเกิดขึ้นก็ค่อยรู้เอานะตอบตรงคําถามผ่าหลวงพ่อไม่ได้ยินเมื่อกี้เนี่ย เขถามเลยเดาเอาอ่ะที่ถามไปก่อนนั้นนั้นที่บอกว่าไอ้เวลาสมมติก็จะต่อเนื่องกับอีกคำถามหนึ่งนะคะก็คือว่าคือเมื่อกี้หลวงพ่อพูดถึงประเด็นว่าคนใหม่ในร่างเดิมใช่ไหมคะว่าปฏิบัติไปแล้วอาจจะเป็นคนใหม่ในร่างเดิมทีนี้บางคนอาจจะ เปลี่ยนร่างไปเลยเกิดอาการแปลกๆอย่างเงี้ยค่ะสมมติว่าปฏิบัติไปปฏิบัติมาบางคนก็ปฏิบัติดูลมหายใจเดินจงกรมบางคนก็พุโทโธแล้วแต่สไตล์แต่ละคนเนีคะเกิดว่าถ้าเกิดมีอาการแปลกๆเช่นรู้สึกแบบเหมือนจะโดนปัดคอเห็นผีไม่เคยเห็นก็เห็นเกิดกลิ่นประหลาดหรือว่าได้ยินเสียงประหลาดบางคนก็แน่แนๆบางคนแต่สมัยก่อนโดนถูกว่านี่ปีดแตกปรากฏว่าปฏิบัติไปปฏิบัติมาใครว่าก็ยิ้มเฉยหน้าซื่อ<น>อะไรอย่างเงี้ยค่ะคำง่ายๆนะปฏิบัติเอาเพี้ยน เออมืนมันจะดูเพี้ยนไหมหรือว่าจริงๆจิตใจเรามันด้านช้าไม่ยินดียินไลซึ่งคําถามคือบางคนอาจจะคิดไปไกลกลัวอีกชอบ<ม>อีกหรืออะไรยังไงคําถามคือไอ้ทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นแปลกๆสมมติมเรารู้สึกว่าเป็นคนใหม่เนี่ยค่ะ ม, มันเราปฏิบัติกับมันเหมือนกันหมดไหมคะมคือหลวงพ่อจะแนะนํำยังไงกับอาการหลายๆอย่างซึ่งบางครั้งอย่างคนบางคนรู้สึกโดนปัดคออย่างเงี้ยค่ะ<ม>นั่งน่งสมาธิเดินเดินไปอย่างเงี้ยค่ะ<ม>คือหลวงพ่อมีคําแนะนําอย่างไรกับคนเรียนกับหลวงพ่อไม่เคยมี เพราะอะไรเพราะหลวงพ่อเน้นสตินะถ้าเริ่มต้นในการเน้นสมาธิมันจะเป็นอย่างที่ว่าอาการผิดปกติแปลกๆเที่ยวรู้เที่ยวเห็นอะไรเนี่ยเป็นอาการของสมาธินะนั่งไปน้อมใจพอใจสงบเคลิมลงไปนะจิตใต้สำนึกมันทำงานขึ้นมานะจะเห็นตัวอะไรก็ได้เห็นไดโนเสาร์ยังได้เลยว่าแต่เห็นผีเลยเนะที่ยวออกรู้ออกเห็นอะไรนะสติแตกคุมตัวเองไม่อยู่เพราะอะไรเพราะสติอ่อนเกินไป นั่นจุดสําคัญนะที่หลวงพ่อเน้นพวกเรามากนะคือเรื่องความมีสตินั่นเองคนที่เรียนกับหลวงพ่อเนี่ยยังไม่เคยมีสักคนเดียวคนเรียนมาเป็นหมื่นเป็นแสนนะไม่เคยสักคนเดียวเลยที่บ้ามีแต่คนที่บ้าบางชนิดนะมาเรียนแล้วหายบ้าแต่ไม่ใช่บ้าทุกชนิดหายนะบ้าบางอย่างเกิดจากร่างกายพวกนี้ไม่หายอนะ่ะบ้าบางอย่างเกิดจากจิตใจเครียดอย่างอะไรพวกนี้นะหายได้ งั้นตัวสําคัญอยู่ที่ว่าเรียนหลักของการปฏิบัติให้แม่นซะก่อนที่จะลงมือปฏิบัติไม่ใช่เออะไรก็จะนั่งสมาธิลูกเดียวนะนั่งไปเรื่อยแล้วก็เคลิมเคลิมคราวนี้กิเลสหลอกเราแล้วเห็นโน่นเห็นนี่ไดนะ้อย่างนั้นต้องต้องให้เพิ่มสติขึ้นนะพยายามรู้สึกตัวบ่อยๆนะร่างกายเคลื่อนไหวคอยรู้สึกใจเคลื่อนไหวคอยรู้สึกผีสางอะไรมันจะมาแทรกตอนไหนไม่มีช่องให้แทรกนะอย่ารู้สึกตัวไปเรื่อยงั้นะเราคอยรู้สึกตัวไว้และปลอดภัย ส่วนถ้าเกิดอาการอย่างนั้นก็ปรึกษาจิตแพทย์นะแต่รับรองว่าไม่ได้มาจากวัดหลวงพ่อนะ่ไม่เคยมีนะสอนคนมาไม่รู้จะเท่าไหร่เท่าไหร่ล้มีแต่คนรู้สึกตัวคนสุขภาพจิตดีขึ้นนะจิตแพทย์ยังมาเรียนเลยนะจิตแพทย์ก็ยังสุขภาพจิตดีขึ้นนะฟัง4 d ดีหลวงพ่อครับ นามัสการถามหลวงพ่อครับเกี่ยวกับการใช้กฎหมายครับเออมีธรรมะก็ว่าให้เดินทางสายกลางครับท่านหลวงพ่อแต่ว่าในบางครั้งการใช้กฎหมายอย่างเช่นผู้พิพากษาครับจะต้องตัดสินถูกกับผิดเท่านั้นคือดํากับขาวเท่านั้นเอธรรมะทางสายกลางนี่จะประยุกต์ใช้ในกรณี้นี้ได้ยังไงคนคนละเรื่องกันนะทางสายกลางไม่ใช่กลางระหว่างถูกกับผิดถูกก็คือถูกผิดก็คือผิดคนละเรื่องกันนะ ทางสายกลางหมายถึงว่าไม่สุดโต่ในการเรียนรู้ตัวเองเหรอกนะเพราะฉะั้นอย่างเป็นผู้พักษานีทางสายกลางของผู้พักษาก็คือต้องอยุติธรรมถ้ายุติธรรมได้ justice นะมันกลางอยู่แล้วตรงนั้นนะเะฉะ น, นการตัดสินถูกตัดสินผิดเนี่ยถ้าไม่ได้ตัดสินด้วยอัคติเนี่ยเป็นทางสายกลางอยู่แล้วนะแต่ว่ามันเป็นเรื่องทางโลกนะ คำว่าทางสายกลางของพระพุทธเจ้าไม่ใช่กลางระหว่างถูกกับผิดไม่ใช่กลางระหว่างสีขาวกับสีดํานะหมายถึงว่าไม่กลางในขั้นปล่อยตัวปล่อยใจตามกิเลสกับกดข่มบังคับตัวเองกลางอยู่ตรงนี้ต่างหากค่ะก็อาจจะเป็น คำถามสุดท้ายเพราะว่าก็ใกล้จะได้เวลานะคะ เ, เมื่อกี้หลวงพ่อก็พูดว่าทุกอย่างเนี่ยชั่วคราวชั่วคราวอย่างนี้คะ่ะอันนี้อยากจะถามนอกเรื่องไปถึงคันโลกนิดๆหน่อยๆคือพวกคันคุณธรรมจริยธรรมอยากจะทราบว่าถ้าเกิดเรารู้สึกตัวรู้กายรู้ใจรู้กิเลสของเรามีสติเนี่ยนะคะคําถามคือถ้าเรามองในเชิงทางโลกว่าถ้าเราอยากจะพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมมันเกิดกิเลสบางอย่างขึ้นมาที่เราอยากจะพัฒนาไม่ว่าจะเป็น เพื่อช่วยโลกเพื่อรักษากฎหมายหรือจะเพื่อขัดเกากิเลสหรือเพื่ออะไรก็ตามเนี่ยขอบเขตในการทํามันควรแค่ไหนอย่างไรคือถ้าจะเอาธรรมะไปไประยุกต์กับการพัฒนาตนเองคือคุณธรรมไม่ว่าจะในฐานะผู้ใช้กฎหมายหรือว่าอะไรก็ตามเนี่ยคือขอให้มีสตินะจะมีปัญญามันจะรู้ว่าอะไรควรอะไรไม่ควรอะไรถูกอะไรไม่ถูกนะเพราะฉะนั้นฝึกมีสติรู้ทันจิตตนเองนะจะตอบคําถามนี้ได้เอง อย่างเป็นผู้พักษาอย่างเงี้ยนะลำเอียงเกิดขึ้นนะรู้ทันละว่าลำเอียงบางทีลำเอียงเพราะอีกฝ่ายหนึ่งให้เงินก็ได้นี่ลำเอียงเพราะโลกบางทีลำเอียงเพราะรักนะรักคนนี้เกลียดคนนี้ลำเอียงเพราะเกลียดก็ได้คนนี้หน้าเหมือนศัตรูเราเคยหน้าเหมือนคนที่มาแย่งแฟนเราอะไรเงี้ยถ้าลำเอียงเกิดขึ้นแล้วเรามีสติรู้ทันไม่ลำเอียงหรอกะมันเป็นเองละมันจะรู้เลยว่าอะไรควรอะไรไม่ควรขอให้มีสติรู้ทันจิตตนเองแล้วมันจะเกิดปัญญา รู้ว่าอะไรควรอะไรไม่ควรนะเพราะงั้นมันจะเป็นคําตอบซึ่งทุกคนจะตอบได้ด้วยตัวเองนะว่าอะไรเหมาะครับก็เป็นการสมควรแก่เวลานะครับเพื่อเป็นการน้อมกราบบูชาพระธรรมนะครับน้อมบูชาความเมตตาของหลวงพ่อในวันนี้นะครับขอกราบเรียนเชิญท่านาศาสตราจารย์ดรชุมพรปัจจุสารนนท์นะครับรองคณะบดีคณะนิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์ น, นะครับเป็นตัวแทนของพวกเราถวายผ้าไตา่แก่หลวงพ่อครับ ขอเรียนเชิญทุกท่านประนมมือนะครับตั้งจิตร่วมกันนะครับถวายผ้าไตและของบริวารทั้งหลายแก่หลวงพ่อครับเงินไม่ต้องถวายหลวงพ่อนะหลวงพ่อยกให้ไปทำกิจกรรมอะไรจุลาวิชาการอะไรนะอ่ะย่เชิญนั่งกัน ในนามของคณะผู้จัดงานนะครับก็ต้องขอกราบนมามสการพระคุณเจ้าหลวงพ่อปราโมดปราโมดโชวอีกครั้งนะครับและหากพวกข้าพระเจ้าคณะผู้จัดงานทั้งหลายนะครับจงใจก็ดีประมาทพลาดพังก็ดีนะครับได้ล่วงเกินพระคุณเจ้าเจอด้วยกายก็ดีวาจาก็ดีใจก็ดีนะครับขอพระคุณเจ้าได้โปรดงดโทษแก่พวกข้าพระเจ้าทั้งหลายนะครับ ขอยกโทษนะยกโทษแต่มันดียังไงนะร่วงเกินด้วยกายก็ดี ร, <c oughs> ร่วงเกินด้วยวาจาก็ดี ม, มันเป็นแพทเทิร์นมา <c oughs> <c oughs> ขอเชิญทุกท่านนะครับได้สงบนิ่งนะครับ <c oughs> สมรวมกายวาจาใจเพื่อน้อมส่งพระอาจารย์ด้วยความเคารพครับอ่ะเนี่ยหลวงพ่อให้พรสันหน่อยนะงั้นดูไม่เหมือนฟังเทศ <c oughs> ยถาวาริวาาปูราปาริปูเรนติสารัง เอวเมวาอีตโตทินังเปตาหนังอุปการปติอิจิตังปฏิตังทุมหังคิปะเมวะสมิจตุสัพเพปูรเรนตุสังกปาจันโทปนรารโสยถามณิโชติรโสยถาสัพพีติโยวิวัชันตุสัพรโรโควินาสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีที่ขายุโกภวะอาภิวาธนาสีลิสนิจจงุทาปจายิโน จตารโรธรรมาวทันตีอายุวันโนสุ ข, ขังพระลังสาธุไปหัดดูตัวเองนะรู้สึกตัวบ่อยๆแล้วชีวิตจะดีขึ้นนะ